คารวาจะละกามฉันทะได้อย่างไรคนส่วนมากไม่คิดจะละกิเลสเพราะรู้สึกว่าตนไม่สามารถจะละได้ฉะนั้นจึงไม่พยายามที่จะละและอีกอย่างหนึ่งเราไม่เคยเห็นตัวอย่างของคนที่ละกิเลสได้จริงๆ และไม่ค่อยจะเห็นใครที่พยายามจะละกิเลส ด, ด้วยคนเราชอบมีนิสัยเอาอย่างกันเมื่อเห็นคนเกือบจะทั้งหมดไม่คิดจะละกิเลสตนเองก็เลยไม่คิดละไปด้วยแต่อย่างไรก็ดีเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คนเราไม่คิดละกิเลสกันนั้นเป็นเพราะมองไม่เห็นโทษของกิเลสเรามีความสุขอยู่กับกิเลสแม้ในบางครั้ง กิเลสจะทรมานให้ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสแต่เราก็คิดไปในแง่ว่านั่นเป็นเพราะความผิดหวังถ้าสมหวังแล้วก็จะมีความสุขอันที่จริงเมื่อพูดถึงชีวิตคารวะโดยทั่วไปถ้าไม่มีโอกาสได้ศึกษาทางาศาสนาและไม่มีโอกาสได้ฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาความคิดที่จะละกิเลสจะไม่เกิดขึ้นเลย ถึงแม้บางคนจะคิดบ้างก็เป็นการคิดเพียงชั่วขณะเท่านั้นไม่คิดที่จะเอาจริงไม่เหมือนกับที่เรามุ่งแสวงหาเงินแสวงหาชื่อเสียงหรือแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินซึ่งเราเอาจริงเอาจังกันอย่างยิ่งทั้งนี้ก็เพราะเห็นคุณและความจำเป็นที่เราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่ในเรื่องกิเลสเรายังมองไม่เห็นโทษของมันอย่างลึกซึ้ง และคุณของการลา ก, กิเลสเราก็จะมองไม่เห็นอย่างแจ่มแจ้งอีกด้วยอันที่จริงการลา ก, กิเลสเป็นของจําเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการอาบน้ําหรือการชําระล้างสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายในเรื่องของร่างกายเราเข้าใจง่ายแต่ในเรื่องของจิตใจเราไม่ค่อยจะเข้าใจกันและคนส่วนมากมักจะมีความเข้าใจผิดกันอยู่อย่างหนึ่ง คือเข้าใจว่าถ้าร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์มีการอยู่ดีกินดีมีสิ่งที่จะอานวยความสะดวกให้ทุกอย่างและมีชื่อเสียงเราก็จะมีความสุขใจถ้าสิ่งเหล่านี้มีไม่พอเราก็ไม่สบายใจเราเข้าใจกันว่าความสุขทางใจมาจากความสุขทางกายซึ่งความจริงอันนี้เราสังเกตเห็นได้ง่าย และมักจะยึดแต่ในแง่นี้เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่จึงมุ่งแต่แสวงหาวัตถุแต่ความเป็นจริงแล้วจิตใจเป็นรากฐานของร่างกายดังที่พระพุทธเจ้าได้ดตรัสไว้ว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณพุทธพจน์บทนี้ ข้าพเจ้านำมาอ้างบ่อยที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ที่ยังเข้าใจผิดในเรื่องนี้ก็เพราะยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจถึงหลักความจริงดังที่กล่าวมานี้อันที่จริงถ้าหากเราปรับปรุงจิตใจของเราให้ได้มาตรฐานหรือพูดอีกในหนึ่งถ้าหากเราพยายามละ ก, กิเลสให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจึงจะมีความสุขและจะมีความสมบูรณ ทั้งในทางร่างกายและฐานะภายนอกด้วยแต่ความจริงอย่างนี้คนที่ไม่คิดจะละกิเลสจะไม่มีวันเข้าใจได้เลยเป็นอันขาดเพราะมันเหมือนกับเมื่อเราจะมองดูเงาขางตัวเองในกระจกแต่ในเมื่อกระจกเป็นฝ้าก็จะมองไม่เห็นเงาหรือถ้าจะเห็นก็เห็นแต่เพียงเรือนรางถ้ายิ่งฝ้ามีมากจนกระทั่งหนาแน่นเต็มไปหมด ก็ย่อมจะมองไม่เห็นเงาข้างตัวเองเลยคนที่มีกิเลสหนาฝังอยู่ในสันดานย่อมไม่สามารถจะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเขาจะมองตัวข้างตัวเองไม่เห็นตามความเป็นจริงเขาไม่มีทางที่จะรู้สึกตัวว่าความคิดเห็นหรือเหตุผลต่างๆที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนั้นเป็นเหตุผลที่เกิดมาจากกิเลสและเข้าข้างกิเลสอยู่ตลอดเวลา เหมือนคนที่ถูกผีสิงความคิดทุกอย่างที่แสดงออกมาเป็นเรื่องของผีที่มาเข้าสิงไม่ใช่ของคนคนนั้นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเช่นในเวลาที่เรามีความโกรธอย่างรุนแรงเราจะไม่รู้จักความผิดชอบชั่วดีเรามักจะทาอะไรผิดๆในขณะนั้นแต่ก็ไม่รู้สึกตัวหรือบังคับตัวเองไม่ได้ต่อเมื่อหายโกรธแล้วจึงจะรู้สึกตัว คนที่ถูกกิเลสอย่างอื่นเข้าครอบงำก็เป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นด้วยเหตุนี้การละ ก, กิเลสจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวะโดยธรรมดาคนที่จะเห็นโทษของกิเลสและเห็นคุณของการละ ก, กิเลสได้จริงๆก็เฉพาะในเวลาที่จิตสงบเท่านั้นซึ่งในขณะนี้เราเป็นตัวข้างตัวเอง อารมณ์ภายนอกไม่เข้ามาวุ่นวายภาวะอย่างนี้คนธรรมดาทั่วไปก็อาจจะมีบ้างในบางขณะแต่คนในสมัยปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่มักจะวุ่นวายอยู่กับปัญหาเฉพาะหน้าเกือบตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ค่อยจะมีโอกาสอยู่เงี ย, เ ย, ยบๆคนเดียวเพื่อทาใจให้สงบนี่คือข้อบอกพร่องอย่างร้ายกาจเพราะคนประเภทนี้ จะไม่มีโอกาสพิจารณาตัวเองได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนอื่นข้าพเจ้าจึงขอแนะนำให้พยายามหาโอกาสที่จะอยู่ลาพังเพียงคนเดียวทำใจให้สงบสักบ้างไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะไม่มีโอกาสที่จะ ล, กละกิเลสได้เลยด้วยเหตุนี้การฝึกสมาธิจึงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทาทุกวัน การฝึกสมาธิทำอย่างไรได้เคยที่บายมามากแล้วผู้ที่ยังไม่ทราบก็จะต้องย้อนกลับไปอ่านในตอนต้นๆในตอนนี้จะไม่อธิบายอีกจะอธิบายเฉพา ะ, ะเรื่องการพิจารณาในขณะที่จิตเป็นสมาธิซึ่งจะช่วยใหเรารู้จักตัวเองดีขึ้นและความคิดที่จะละเกลีย ก, ก็จะค่อยๆหนักแน่นยิ่งขึ้นเพราะในขณะที่จิตของเราสงบน้น เราจะรู้สึกเห็นได้ชัดว่าความสุขที่เกิดจากกิเลสเป็นความสุขชั่วขณะและจะค่อยๆรู้สึกตัวอีกว่าถ้าหากกิเลสมันบังคับให้เราต้องทำตามอำนาจของมันอยู่เสมอแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์มากขึ้นการมีเงินมีชื่อเสียงหรือมีอำนาจใดๆก็ตามจะไม่ช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เลย ขอได้โปรดจำไว้ว่าความสำนึกเช่นนี้จะพึงมีได้ก็เฉพาะในเวลาที่จิตสงบเท่านั้นและถ้าคนไหนยังไม่เคยสำนึกอย่างนี้ก็แปลว่าเขายังอยู่ในความมืดเขาถูกกิเลสหลอกให้ดำรงชีวิตไปตามอำนาจของมันและไม่มีวันที่จะพ้นไปจากอำนาจของมันได้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องเป็นในเวลาที่จิตสงบเท่านั้น จึงจะสำนึกถึงความจริงดังที่กล่าวมานั้นได้จงพยายามตระหนักให้มากว่าการฝึกสมาธิคือการทำใจให้สงบจากกิเลสแม้จะเป็นการสงบเพียงชั่วคราวก็เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆขอให้สังเกตว่าในเวลาที่เรามีความโกรธเกิดขึ้นเรามักจะทำอะไรผิดๆแต่ในขณะนั้นเราจะไม่รู้สึกตัวว่า ตัวเองได้คิดผิดทําผิดหรือพูดผิดอะไรบ้างต่อเมื่อหายโกรธแล้วเราก็มักจะสํานึกได้เสมอถึงความผิดนั้นๆในทํานองเดียวกันในเวลาที่กามฉันทะเกิดขึ้นเราก็มักจะมีความคิดผิดหรือทําอะไรผิดหรือพูดผิดแต่ก็จะมองไม่ค่อยเห็นและคําว่ามองไม่ค่อยเห็นนี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าในเวลาโกรธ เพราะความโกรธเมื่อเกิดขึ้นสงบได้เร็วแต่กามฉันทะมันแทรกซึมอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาทุกขณะโดยเฉพาะในขณะที่กามฉันทะเข้มข้นนั้นก็จะเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดสนิทมองไม่เห็นอะไรและการที่ในบางขณะเราค่อยๆรู้สึกตัวถึงความผิดความถูกถึงความควรไม่ควรกันนั้น เป็นเวลาที่กามมาฉันทะจางลงคือไม่เข้มข้นเหมือนในเวลาอื่นแต่ถึงกระนั้นกามาฉันทะแม้จะไม่เข้มข้นมีอย่างเจือจางแต่มันก็มีอิทธิพลทำให้คนเราสลืมสลือเหมือนคนที่กำลังตื่นนอนคือแปลว่าในขณะที่กามมาฉันทะยังครอบงำแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อย จิตใจของเราก็จะไม่เข้มแข็งพอที่จะตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะในขณะนี้จะมองเห็นโทษของความผิดไม่ค่อยชัดมองเห็นคุณของความดีก็ไม่ค่อยชัดและที่แน่ที่สุดก็คือเมื่อกามฉันทะยังครอบงำอยู่แม้เพียงเล็กน้อยจิตจะสงบและแน่วแน่จริงๆในเวลาทําสมาธิก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิจริงๆคือไม่แน่วแน่จริงๆไม่สงบจริงๆปีติและสุขก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่าลืมว่าปีติและสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นสมาธิอันนี้เท่านั้นคือสิ่งที่ชดเชยสำหรับการมาชันทะและคนเราจะละ ก, การมาชันทะได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งชดเชยดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วนี้ และสิ่งชดเชยดังที่กล่าวมานี้ถ้าลงว่าเคยเกิดขึ้นในใจสักครั้งหนึ่งเราก็จะมีความประทับใจเห็นประโยชน์ของสมาธิอย่างลึกซึ้งและในเวลาเดียวกันก็จะเห็นโทษของกามอีกด้วยการเห็นโทษของกามนี้จะค่อยๆลึกซึ้งขึ้นก็ต่อเมื่อความเบื่อหน่ายในกามค่อยๆ ค, คลายออกไปมากแปลว่า การเห็นโทษของกามจะลึกซึ้งแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์ของความเบื่อหน่ายถ้าความเบื่อหน่ายมีมากก็เห็นโทษของกลามได้ลึกซึ้งมากแต่ถ้าความเบื่อหน่ายมีน้อยการเห็นโทษของกลาม ก, ก็มีน้อยอย่าลืมว่าการเห็นโทษของกลามก็ดีความเบื่อหน่ายในกลาม ก, ก็ดีจะมีได้จริงๆก็เฉพาะในเวลาที่จิตสงบ มีปีติและสุขเกิดขึ้นในใจเท่านั้นอันหนึ่งคนส่วนมากไม่ทราบจริงๆว่าการที่ใจของเราไม่เป็นอิสระบังคับใจตนเองไม่ได้ก็พระตกเป็นทาสของกามาฉันทะเช่นเมื่อต้องการจะสลัดความคิดต่างๆออกไปจากจิตใจก็ทำไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งถึงแม้บางคนใจจะฟุ้งซ่านในขณะใช้ความคิด แต่ในเมื่อตัวเองยังต้องอาศัยความรู้หรือความเข้าใจที่เกิดจากความคิดนั้นย่อมหมายถึงว่าเราจะต้องถูกความคิดของตัวเองหลอกเราไว้อยู่เสมอเราไม่มีทางที่จะทราบได้ว่าภัยที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คือความคิดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ถือกันว่าผิดหรือถูกก็ตามมันก็เป็นภัยเท่าๆกัน เพราะความคิดทุกอย่างเป็นผลมาจากประสาทสัมผัสและประสาทของคนเรามีประสิทธิภาพจากัดเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการใช้ความคิดยิ่งอยู่ในวงจากัดขอให้นึกถึงคนที่มีระดับความรู้ต่ากว่าเรามากถึงแม้ว่าคนประเภทนี้จะได้เห็นหรือได้ยินอะไรได้ถูกต้องเหมือนกับเราแต่แล้วเราก็จะพบว่า ความรู้ความเข้าใจของเขาอยู่ในวงจำกัดมากและเมื่อจำกัดมากก็หมายถึงว่าเขาจะต้องอยู่ในความหลงผิดในเรื่องอื่นอีกมากมายข้อนี้ฉันใดตัวเราเองก็เหมือนกันแม้เราจะเป็นคนมีการศึกษาดีมีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งในวิชาการต่างๆแต่ถึงกระ น, นั้นตราบใดที่เรายังแสวงหาความรู้จากการใช้ความคิด ซึ่งเป็นผลมาจากประสาทสัมผัสเราก็ไม่มีทางที่จะรู้จักตัวเองได้ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะเข้าใจเรื่องชีวิตได้ถูกต้องและไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะจะไม่สามารถลาศ ก, กายาทิฏฐิคือความหลงผิดที่ยึดถือเอาเบญจขันเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานทุกอย่าง และเราก็จะไม่มีทางที่จะรู้สึกตัวว่าตัวเราจริงๆซึ่งไม่ใช่ตัวตนที่เรายึดถือว้นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งและตัวตนอันนั้นเป็นอิสระอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายตัวตนอันนั้นมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองไม่มีความทุกข์ทรมานถ้าหากว่าคนไหนเริ่มรู้สึกหรือมองเห็นตัวตนอันนี้ เขาก็จะยิ่งมองเห็นภัยอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นจากสักการทิฏฐิและครั้นแล้วเขาก็จะพบว่าตัวกามาฉันทะนั่นแหละคืออุปสรรคเบื้องต้นที่ทําให้ละสักการทิฏฐิไม่ได้เพราะคนเราจะละสักการทิฏฐิได้ไม่ใช่โดยการศึกษาไม่ใช่โดยการใช้ความคิดตรงกันข้ามเราจะละสักการทิฏฐิได้จริงๆ ก็ต่อเมื่อสามารถทำใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าได้ต้องสามารถทำใจให้ว่างจากความนึกคิดได้และในเมื่อความนึกคิดทั้งหลายสงบแล้วใจก็จะว่างจากอารมณ์ต่างๆและกิเลสต่างๆที่ครอบงมจิตใ จ, จอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคือตัณหาอุปาทานต่างๆก็จะจางลงในเมื่อกิเลสเหล่านี้ได้จางลงบ้างแล้ว ความรู้จักภายในซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสเป็นความรู้ในขั้นอภิญยาก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเมื่อการฝึกสมาธิได้ก้าวขึ้นมาถึงระดับนี้ปัญหาต่างๆของชีวิตที่เราเคยสงสัยมานานก็จะค่อยๆกระจ่างขึ้นเช่นเราเคยเกิดมาหรือเปล่าตายแล้วจะต้องเกิดอีกหรือไม่ อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งในทางกายและจิตใจปัญหาต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆรู้ขึ้นมาเองโดยไม่ยากมันเหมือนกับคนที่ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดมาบัดนี้ตาของเขาค่อยๆสว่างขึ้นเพราะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆได้บ้างแล้ว เขาก็จะหายสงสัยในสิ่งที่ก็เคยได้ยินว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งในสมัยที่ตาของเขาบอดเขาเพียงแต่รับฟังและจะเชื่อตามที่คนอื่นบอกเขาจะไม่มีความแน่ใจในสิ่งที่รู้มาหรือในสิ่งที่จําได้และในเวลาเดียวกันก็มีความสงสัยต่างๆในสิ่งที่คนอื่นเขาบอกแต่มาบัดนี้ ในเมื่อตาของเขาเค่อยๆสว่างขึ้นเขาก็จะรู้ในสิ่งที่เขาได้เห็นด้วยตาของเขาเองวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ยากเป็นวิธีธรรมชาติแต่ถ้าเราลองนึกดูอีกทีหนึ่งว่าคนที่ตาบอดมาแต่กําเนิดนั้นถ้าเขาจะพยายามศึกษาให้มากและคิดให้มากถึงเรื่องสีและแสงต่างๆถึงรูปร่างของสิ่งนั้นสิ่งนี้ จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะเกิดความรู้แจ้งในเรื่องเหล่านั้นเราจะเห็นว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าๆวิธีที่ถูกต้องก็คือทำอย่างไรตาเขาจึงจะหายบอดพยายามรักษาตาให้หายเสียก่อนแล้วจึงค่อยเรียนรู้สิ่งต่างๆในภายหลังวิธีนี้ต่างหากคือวิธีที่ฉลาดกว่าดีกว่าและประหยัดเวลาได้มากด้วย ในทำนองเดียวกันคนที่ปรารถนาที่จะรู้เรื่องชีวิตของตัวเองตามความเป็นจริงซึ่งถ้าคนไหนรู้แจ้งเขาก็จะพ้นทุกข์ได้นั้นตราบใดที่เรายังติดอยู่ในสักกายทิฏฐิเราไม่มีทางที่จะรู้จักตัวเองได้เพราะมันเหมือนกับคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั่นเองอย่าลืมว่าการใช้ความคิดหรือการแสวงหาความรู้ ในขณะที่สักกายทิฐิยังครอบงมอยู่อย่างหนานแน่นนั้นไม่มีทางที่จะรู้ความจริงเสียเวลาเปล่าและคนเราจะละสักกายทิฐิได้หรือทากิเลสตัวนี้ให้น้อยลงได้ก็ต่อเมื่อสามารถเข้าสมาธิได้และคนที่จะเข้าสมาธิได้ก็ต่อเมื่อสามารถทำกามฉันทะให้สงบลงได้เพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นแล้วว่า กามฉันทะถึงแม้จะมีคุณอย่างมากมายดังที่ได้เคยอธิบายมาแล้วแต่ในเมื่อ น, นึกถึงโทษของมันแล้วโทษของมันยิ่งใหญ่กว่าด้วยเหตุนี้คนเราทุกคนจึงควรต้องมีจุดหมายในการดาเนินชีวิตที่เป็นไปเพื่อจะละ ก, กามฉันทะไม่ควรคิดจะฝังตัวอยู่กับกามฉันทะตลอดไป